ถ้ามีภาวะตัวรู้เป็นที่ตั้งเป็นฐานไว้เราก็จะเห็นตัวหลงเองหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน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 แต่ทำไมอบณนิสัยนี่ต่างกันทำไมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางทีคนที่คิดว่าคนเนี้ย่อขึ้นเนี่ยโอจะดีมาแต่กลับกลายเป็นใช้ชีวิตที่แยก่ก็ได้อันนี้มันก็เป็นแง่คิดเหมือนกันนะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นหมายถึงว่าทำไมคิดไม่เหมือนกันค่ะทำไมทำไม่เหมือนกันทำไมมีความเข้าใจไม่เหมือนกันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่สาคัญนะ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 พอเป็นวัยผู้ใหญ่เราก็จะคิดอีกแบบหนึง่ง <Bose. S 1> เราจะไม่เล่นเล้วต <intro> ุ๊กตาเราจะเล่นรถนึกถึงบ้านนึกถึงอนาคตสร้างฐานะของเราได้อย่างไรบ้างจะคิดถึงครอบครัวเนี่ยจะมีความกังวลมากตอนที่วัยผู้ใหญ่เพราะว่าเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นพอพี่ก็จะเป็นอีแบบหนึง่ง <Bose. S 1> จะต่างกันพอสู่วัยชราก็คิดแบบห น, นึ่งวัยชรานี่แม้แต่จะคิดมากอลไรก็ตามจะสรุปลงที่ปล่อยวางจะมากกว่า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 คนนี้ประสบการณ์ช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงงูแล้วก็จับงูแล้วก็โชว์การเล่นลีแรงต่างการจับงูเขาไม่กลัวงูแนละ้วงูคือเพื่อนเขาเข้าไปในตัวแต่เราเนี่ ย, ยทายังไงได้ยางไง <_ S 1> แล้วก็สงสัย <_ S 1> แต่ไม่ยากหรอกเราลองไปเล่นงูกับเขาสิแล้วก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเราไม่ได้สัมผัสเราก็โดนสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสาคัญมากนะเรื่องประสบการ์เนี่ยเพราะนั้น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 มีแต่ความตายเราเห็นตอนนั้นเองอันเนี้ยเป็นกระบวนการองการมีสติทั้งนั้นเลย